ท่านประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วโปรโ ด, ดตั้งใจสนับเรื่องราวของพมิหารสีต่อไปสำหรับการเจริญประกรรมฐานเพื่อหวังมรผลหรือว่าเพื่อฌานสมาบัติ หรือว่าเพียงแค่เจ็ดสงบขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมกฎสําคัญในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลใดที่คล่องในอิธิบัติอิยาอิธิบาศีหมายความว่าเป็นผู้มีความชํานาญในอิธิบาศี บุคคลผู้นั้นจะทําอะไรก็ตามจะมีผลสําเร็จทุกอย่างฉะนั้นขอท่านทางหลายที่ตั้งใจสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่ท่านทางหลายตั้งใจทํากันนั่นก็คือความดีแห่งการหมดทุกข์แต่เด้าว่าท่านทางหลาย จงจะลืมความรู้สึกของท่านคือสติสัมปชัญญะและปัญญาก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรใช้สติปญญเป็นเครื่องลึกใช้สัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้ตัวใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ม้แต่การสอนพระกรรมฐานเราสอนกันอยู่เป็นปกติฟังกันเป็นปกติแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าบางท่านขาดสติสัพชัญญะอยู่มากและบางรายก็ไร้ทั้งสติสัพสมสชัญญะและก็ปัญญา อาการที่สนแนวมาจากการพูดคน ด, ดีจากการกระทำคน ด, ดีบางทีก็ทำให้คนอื่นคลายศรัทธาประสาทการผิดพลาดในการปฏิบัติในงานย่อมมีเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าถ้าหาว่าท่านผู้นั้นทำไปเพราะอาศัยไม่มีเจตนาร้ายก็ยังไม่ควรจะติ ในบริการหนึ่งการยติหรือการจะแนะนําการจะเตือนก็จงใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไงให้เพื่อนร่วมสํานักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้นหรือการกระทําอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วก็ควรใช้วาจารประเภทสมุทนิยกถา เราติแต่ว่าแกมชมหรือว่าชมแต่ว่าแกมติให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทำของเขาเป็นการทำผิดแต่ได้ว่าอย่าให้ถึงกับสะเทือนใจเกินไปเว้นไว้แต่ว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้นิสัยคนหยาบย่อมไม่รับฟังไม่รับการปฏิบัตินั่นจริงคนใช้วาจาที่หนัก เพราะว่านิสัยคนหยาบถ้าปลอบก็รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกตัวก็ต้องใช้ขู่แต่ค อ, อกนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าจาริยาของเรามีสองอย่างคือนิคไหปะปักไรหะถ้าใครดีเราก็ชมเชยถ้าไม่ดีเราก็คมคู่ แต่ว่าเจริยาที่องค์สมเด็จพระบระมครูก่อนที่จะข่มขู่ด้วยการรุนแรงมักจะหาเหตุหาผลแวดล้อมมาพูดให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เชื่อองค์สมเด็จพระชินวรก็ใช้ปรับภาชนิยกรรมคือขับออกไปจากสถานที่ตัวตัวอย่างเช่นพระวะกรักะลิเป็นตน้น สิ่งองค์สมเด็จพระทศพลทรงมีพระมหารกรุณาธิคุณให้พระพร ะ, พระกลินั่งเฉยๆชมเฉยๆอยู่ทั้งสามปีแต่ว่าพระวัคคลิก็เอาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาจึงลงโทษโดยปรับภาชนิยกรรมคือขับออกจากสำนัก ฉะนั้นพวกเราเราพุทธบริษัทคือวิสุสมณี น, นุบาสุกุบาสิกาทุกคนจงรู้ตัวของตนว่าวาจาที่กล่าวไปก็ดีและการที่เราทำอกไปก็ดีมันดีหรือว่ามันเลวการทำลายจิตใจของมันดาเพื่อนสาธรรมิกะด้วยกันให้ท้อแท้จากการบำเพ็ญกุศล นี่ชื่อว่าใจของเราหมองหม่นเรื่องหน่ายของกินเหล็ดตันหาุปาทานและกฎสนกรรมตัวเยาว่ากันไปทีก็ขาดพรหมวิหารสี่ซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่สำหรับพรหมวิหารสี่นี้เมื่อวันที่แล้วได้พูดมาถึงลักษณะของพรหมวิหาร ได้ตั้งใจไว้ในขั้นพระโสดาบันเพราะว่าพระวิหารสี่นี่ท่านบอกว่าตั้งทรงฌานคำว่าฌานในพระวิหารสี่นี่ขอบันดาท่านพุทธบริษัทเพียงทราบไม่ใช่เราจะไปนั่งภาวนาว่าเมตตากรุณาุมุตาเบคาเมตตากรุณาุมตตาวเบคา ถ้านั่งภาวนาอย่างนี้แล้ว ก, กี่แสนชาติพราะมิหารสีก็ไม่ทรงฌานสําสหรับอารมอารมณ์ที่จะทรงฌานให้เป็นปกตินั่นก็คืออนาปานุสติกมรมฐานเราจะควบกับพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกมรมฐานสังขานุสติกมรมฐานหรือว่าอุปสมานุสติกมรมฐานก็ได้ตามใจชอบ เวลาที่เราต้องการทรงจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ใช่อารมณ์มาคิดสําหรับก็มีหานสีน่นี่จะมีการทรงฌานเพราอาการคิดคือใครครวญ น, น้อมจิตจากอารมณ์ชั่วมาเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วก็คือความโหดร้ายคิดจ ะ, ะทุธสร้ายบุคคลอื่น ที่จะการแกล้งบากคนอื่นเกลียดชังหวังจะทำให้เขามีความทุกข์แต่ถ้าว่าสนับพรหมิหารสรีนี่เป็นปัจจัยแสวงหาความสุขทั้งเราและทั้งเขาความจริงเรื่องนี้ผมเรื่องพรมิหารสรีนี่ดูเมื่อว่าผมจะพูดมาทั้งหลายสิบครั้งแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านที่ไปองค์ ที่เป็นผู้ไร้ปัญญาไร้สติสัมปัญญายังใช้ปัญญาและสติสัมปญญาก็ดีปัญญาก็ดีแล้วก็แล้วก็ปราศจากการใข้ควนพิจารณายังมีอยู่อาการอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระบรมครู คือพระพุทธเจ้าที่พร่ำสอนพวกเรามากว่าจะได้สำเร็จประสมาสัมโพธียานองค์สมเด็จพระพิชิตมารต้องบรเพินบรรมีทั้งเสียสงไขแสงและสและสงกลับจึงกว่าบารมีจะเต็มเอาความรู้อย่างนี้มาสอนเราแต่ว่าถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่ง ไม่คำนึงถึงความดีที่องค์สมเด็จพระชินทร์สีทรงสอนก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องกลับไปลงอเวจีมาหานรกตั้งต้นกันใหม่ต่อตนนี้ไปจะกล่าวถึงวิธีการทรงฌานในอนในระ ม, มหารสีร่้ว่าจิตของเรามีสองอารมณ์บางอารมณ์มันเป็นอารมณ์ชอบคิด บางคราวบางคราวชอบคิดแต่บางคราวชอบสงบถ้าเวลาที่จิตของเราต้องการความสงบเราก็ยึดอนาปานุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานให้จิตทรงตัวแต่การที่ท่านจะภาวนาคำอัมายอย่างไรร่วมด้วยอันนี้ผมไม่ห้าม ว่าคำภาวนาเป็นเครื่องโยงจิตให้ทรงสมาธิบางท่านไม่ต้องการภาวนาก็ใช้แต่เพียงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสองแบบคือแบบมหาปฏิปฐานสูตรให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้ตามแบบมหาปฏิปฐานสูตร ถ้าตามแบบกรรมฐานสี่สิบใช้กำหนดรู้ลมให้ใจสามฐานเวลาหายใจเข้าลมกระทบจมูกรู้กระทบหน้าอกรู้กระทบศูนย์เหนือสะดือรูสร้สะดือรู้เวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพี่ปากก็รู้ เอาจิตจับจะเพียงแค่นี้ประเดี๋ยวเดียวจิตก็ทรงฌานถ้าหาว่าจะภาวนาว่ายังไงด้วยก็ตามใจหรือไม่ภาวนาเลยก็ตามใจทำเพื่อจิตสงบให้จิตเป็นให้จิตทรงตัวทีนี้บางขณนนะจิตต้องการคิดในพรมีหารสี่ต้องใช้อารมณ์คิด คิดหาเหตุหาผลว่าคนและสัตว์ทุกคนในโลกนี้มีเราเป็นต้นไม่ต้องการความทุกเราต้องการแต่ความสุขเราไม่ต้องการศัตรูเราต้องการความเป็นมิตรเรื่องคิดไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรากิริยาเช่นใดด้วยวาจาเช่นใด ที่คนอื่นใดเขาทำกับเราเราไม่ชอบก็จงมีความรู้สึกว่าอาการวาจาและกิริยาเช่นนั้นถ้าเราก็ทำกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่การศึกษาธรรมะในศาสนาเขาองค์สมเด็จประสงทันเขาสอนเขาเขาคิดเขามาหาตัวเอาใจเราเป็นเครื่องวัด ว่าเราต้องการความเมตตาปราณีจากคนอื่นชั้นใดหมู่คนทั้งหลายก็ต้องการความเมตตาปราณีจากเราเหมือนกันตอนนี้เห็นว่าพอจะมีความเข้าใจฉะนั้นอารมณ์ใจของเราก็คิดมาเสมอว่าเราจะรักคนและรักสัตว์นอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักตัวเรา เราจะสงสารเขาเหมือนกับที่เราต้องการให้คนอื่นเขาสงสารเราเราจะรักเขาเหมือนกับเขารักตอนเราต้องการให้เขารักเราเราจะสงสารเขาคือผู้อื่นทั้งหมดเหมือนกับเขาให้เราต้องการให้เขาสงสารเราเราจะไม่อิจฉาหรือเสียใครเมื่อบุคคลอื่นได้ใครได้ดี เหมือนถ้าสมมติว่าถ้าเรามีลาบสการะเรามีความดีถ้าคนอื่นมาแสดงความยินดีด้วยเราก็พอใจฉะนั้นเวลาที่ใครเขาได้ดีแทนที่เราจะอิจฉานิสยาแล้วก็พรอยยินดีกับความดีของเขาทําใจให้สบายแบบนี้นี่ปการหนึ่งจะมีอะไรก็ตามทีที่มันมีรมไข่คล้องใจ เป็นไปตามสภาวะของโลกเึ่งความแก่ความป่วยความตายอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนี่การพัดพราเจ้ของรักของชอบใจไม่เกิดขึ้นเป็นของประ จ, จําโลกถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา โดยคิดไว้เสมอว่า <Stars> เราจะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไขไไ้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไปได้เราจะต้องมีความตายเปไ็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดผ้าจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมพ้นไปได้ทำใจให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาเมื่อการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอารมณ์เราก็าปกติไม่มีการหวั่นไหว ใ, ใดๆทั้งหมดมีอารมณ์เฉยๆไม่กระทบกระทั่งใจ เป็นอันว่าอย่างนี้เรียกกันว่าโอเบคาหรือว่าโลกระทำใดๆม่เกิดขึ้นความมีลาบเกิดขึ้นแล้วลาบสลายตัวไปการได้ยศมายศสลายตัวไปความสุขจากการมารมโลกีเวสัยเกิดขึ้นสุขนั้นสลายไปมีทุกข์มาแทนได้รับคำนินทาได้รับคาสรรเสริญ อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มีความเฉยๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเป็นธรรมดายของชาวโลกเกิดมาอย่างนี้ไม่ต้องเราเท่ากับทั้งไม่มีใครสามารถจะล่วงพ้นไปได้อย่างนี้ชื่อว่าพรมหมฮันสี่ของเราครอบทนถ้าเราถูกดินทาว่าร้ายแทนที่เราจะโกรธเรากับสงสารคนที่เขาว่าเรา เขานินทาเราเพราะว่านั่นเขาสร้างศัตรูเขาสร้างความทุกข์แล้วก็นั่งคอยดูว่าคนเขานินทาว่าร้ายเราเขาจะหาความสุขอะไไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจของเราทรงพทมิหานสีอยู่เป็นปกติเขาคิดทำลายเราประเภทไหนอาการอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเข้าถึงกับเขาภายในไม่ช้า ที่โบราณทห้งกล่าวว่าการตบมือข้างเดียวไม่ดังเนื้อว่าการถมน้ำลายรถฟ้ามันก็ลงหน้าตัวเองแทนที่เราจะโกรธเรากับผูงสารว่าเขาไม่น่าจะทำเขาอย่างนั้นสำหรับอารมณ์จิตที่เป็นฌานในพมิหารสีก็คือว่ามีอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติ ไม่มีความหวั่นไหวต่ออาการใดๆที่เข้ามากระทบกระทางใจแทนที่จะเกลียดแทนที่จะโกรธเราก็จะมีเมตตาความรักเรามีความกรุณาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ฉานที่แย่เขาเมื่อเขาพลาดพรั้งเราไม่ซ้ำเติมเฉยถือว่าเป็นกฎของกรรม นี่ถันว่าโดยอาการของการทรงพริหารสี่ให้เป็นฌานคำว่าฌานนี้ไม่ใช่นั่งหลับตาฌานนั่งหลับตานั้นมันฌานไม่จริงฌานจริงๆนั่นก็คือว่าอารมณ์มันทรงอยู่เป็นปกติหลับตารืลืมตาพูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่จิตใจเยียดเยินมีความสุข ปรารถนาเยื่อเกี่ยวคูณบุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุขมีชีวชายเขาก็มีหารสีคืออารมณ์สีบริการนี้ต้องทรงตัวจะทรงตัวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราทรงอิทิบาทสีคือฉันทะเรามีความพอใจในในพมิหารสี วิทยะอาการอย่างใดที่เข้าอย่ัขดข้องคือความโหดร้ายของใจมันจะมีขึ้นอารมณ์อิจฉาสัญยามันจะมีขึ้นอย่างนี้เราต้องใช้วิทยะความเพียรเตือนใจว่านั่นมันเป็นความเลวของจิตมันไม่ใช่สถานะที่สร้างความเป็นมิตรสร้างความสุขมันหาความทุกข์มาให้ตน อารมณ์ที่เป็นอกนุศลอย่างนี้จะต้องไม่มีเสหรเปล่าเพียนทำลายมาเสียจิตตอาใจจดจอ่อมมีความรู้สึกนึกอยู่เสมอในเรื่องของเมตตากรุณาโมทตาอุเบคาอย่าไปท่องแบบนี้นะเรื่องของความรักความสงสารความไม่อิจฉาขียาใครใจวางเฉยต่ออารมณ์ท่อ ง, ง่องดูตัวอย่างพระพุทธรลก ทำใจของเราให้เหมือนใจพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านยิ้มตลอดเวลาหนาวก็ยิ้มร้อนก็ยิม้มใครเขาเอะไรไปถวายก็ยิม้มเขาไม่ถวายก็ยิม้มท้านด่าท่านก็ยิม้มเขาชมท่านก็ยิม้มถ้าพุทธรูปไม่มีจิตวิญญาณแต่ถ้าว่าเราที่มีจิตวิญญาณคนทรมธรรมการของใจคือวางเฉยเช่นเดียวกับพระพุทธรูป นี่กันว่าถึงว่าอารมการทรงฌานของพมวิหารสี่ว่าแต่ว่าการทรงฌานเพียงเท่านี้ยังดีไม่พอเพาอะไรนีไม่ได้ยังไม่ใช่พระอรหันนี่นี่เราก็ต้องทรงให้มันดีไปกว่านั้นที่นี่เมื่อกี้นี้เราพูดก็เมตตาความรักกุณาความสงสาร ต่อจต่นี้ไปเราก็มาสร้างความรักความ้าครัมงความสงสารในตัวเราให้มากทำอารมณ์ก้าวเข้าไปสู่กับความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระสีธาคามีนี้ผมไม่พูดถึงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทรงรูมิวิหารสี่ถ้าทรงรูมิวิหารสี่จริงๆนี่ การเป็นพระโสดากระซีธาคามีอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องมีอะไรมากพระ อ, อริยะสองระดับนี้อยู่ในกระเป๋าแน่นอนเป็นอนุนว่าได้กันแน่ไม่มีทางที่จะหลีกพ้นไปได้ถ้าว่าทรงพรมิหารสีจริงๆนะต้องเป็นพระ อ, อริยเจ้าคันนี้ได้จริงๆถ้าทรงไม่จริง มันก็ลงนรกกันเท่านั้นแหละขาดเพราะมีหานศีตัวใดตัวหนึ่งโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมีหานศีนี้ถ้าเราผ่องตัวใดตัวหนึ่งคือข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือเราลงนรกแน่เพาราหันศีผมได้บอกแล้วว่าไปอาหารเลี้ยงจิตในด้านศีนเลี้ยงสมาธิเลี้ยงปัญญา ดนั้นว่าการเจริญพรมิหารสีนี้เป็นพระดหเนิ ง, ง่ายที่สุดทั้งนี้พ่อไหร่พราะว่ามีแต่สภาพเย็นต่อไปเราก็นั่งมานั่งคิดเมตตาตัวเมตตาใจของเราเมตตาคือรักใจเรากลนาสงสารใจเราหมตุตาพรอยยินดีกับใจของเรา อุมเอวขาวางเฉยกับใจของเราผมพูดแบบนี้นี่ดีไม่ดีนักปล่อยเขาจะหาผมบ้าแต่ความจริงผมก็พร้อมแล้วที่รับความเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะผมบ้ามานานแล้วผมเป็นคนชอบบ้า เราบาแบบไหนไปยวจคิดจะออกนอกโลกนอกทางเพื่ออาการอย่างใดที่ชาวโลกเขาต้องการกันแต่อาการอย่างนั้นเราไม่ทําอย่างเขาเขาก็หาว่าบาปอย่างคนเขากินเหล้าเราไปนั่งพูดธรรมะเขาก็หาว่าเราบาปคนเขาคุยธรรมะกันอยู่เราไปกินเหล้าในวงธรรมะเขาก็หาว่าเราบาป อาการอย่างใดถ้าไม่เหมือนกับสังคมนั้นๆเขาก็หาเราบ้าตอนนี้เราก็มาบ้ากันบ้ารักใจตัวเองบ้าสงสารใจตัวเองบ้ายินดีกับใจของตัวเองบ้าวางเฉยกับใจของตัวเองบ้าตรงไหนละ่ะแล้วก็มันั่งเมตตาจิตของเราพระโอโนโ๋นา การปรารถนาในกามารมณ์ปรารถนาในกายของคู่ที่ก็ถือว่าการแต่งงานเป็นความสุขนะเราต้องพิจารณาโดยที่คนที่เขาแต่งงานนะั้นมันสุขหรือมันทุกข์ดูคนที่เขาแต่งงานแล้วกี่การงานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก่อนที่เขาจะแต่งการกันเขาเลือกแล้วสวยแล้วดีแล้ววิเศษแล้วแข็งแรงดีแล้ว แต่ว่าแต่และคนทรงสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันแล้วคุยว่านั่นเขานั่งยิ้มกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าดีไม่ดีก็กนั่งทะเลาะ ก, กันให้เราฟังถ้าก็มีลกูกมีหลานขึ้นมามันสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์หาความจริงก็แล้วกัน ดูของจริงคือของจริงเขามีให้เราดูว่าคู่วิวาแต่และคูนะ่น่ะเขาสุขแล้วว่าเขาทุกมองหากันเองอยู่คนเดียวทำอะไรได้ตามใจชอบถ้ามีคู่ครองเราจะต้องเอาใจคู่ครองจะทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราชอบไม่ได้ แล้วคู่ครองทุกคู่เขาเคยทะเลาะกันไหมคู่ครองทุกคู่เคยต้องลาบากยากเย็นเพราะหน้าของคูออง่ครองมีไหมการมีบทมีพัญญานะ่ะมันมีความสุขและความทุกข์มีบทที่ดาคือมีลูกหญิงลูกชายเป็นอันว่าการทั้งหลายเหล่านี้แปลกายของความทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไปนั่งเจ้ามองดูเขา เราก็มาตัดสินกำลังใจเราว่าเราจะมาหลงไหลไฟฝันก็นกลามาร ม, มด้วยเรื่องอะไรเพราะร่างกายของคนมีสภาพสุขภกหันเข้าไปจับกายคตานุสติกรรมฐานแล้วก็หันเข้าไปจับประสบกรรมฐาน <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นตอนนี้เห็นจะไม่ต้องว่ามาก จงกระทั่งกำลังใจของเราคิดว่าก็คนทุกคนมีร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเต็มไปด้วยสภาพสกปรกการโยนสองครองคู่เต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เราจะปล่อยใจของเราให้ไปหลงและเลิองอยู่ในกามารมณ์เพื่อประโยชน์อะไรถ้าเรารักใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าเสียงนี้มันเป็นทุกข์ ถ้าเราสงสารใจของเราเราก็ห้ามใจมันไว้ว่าจะไปยุ่งกับความทุกข์มันไม่ใช่เหแดนแดงของความสุขถ้าเราสามารถห้ามมันได้จิตมันทรงตัวยิ่งถ้าไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องล้วก็ยินดีกับจิตของเราที่เรียกว่าโมทตาต่อมาก็ใช้สังขารุปเปขายันคืออุเบฆาวางเฉย จังว่าสร้างอารมณ์ของเรามีความรู้สึกว่าเห็นเพศตรงกันข้ามเราไม่มีความรู้สึกนึกจะรักอยากจะครองคู่แต่จิตเมตตาจิตสงสารไม่อยู่ปรารถนาจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขในฐานะที่ทรงตัวถ้าจิตใจของท่านนันหลาสามารถทรงได้อย่างนี้<ม>ก็เชื่อว่าเข้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นต ในการที่จะเป็นพระอนาคามีอย่าลืมนะค่อยๆทำไปไม่ง่ายถ้ามันไม่แน่ใจก็ต้องหันไปจับกายะกตานนสติกรรมฐานก้าวสุภกรรมฐานกับสกายทิฏฐิบวกกันถอยหลังไปฟังตอนต้นๆก็แล้วกันพูดไปมันก็มากความเปล่าๆพอธิบายมาแล้วอรบรรดาสาวกโคองสมเนจพระปฏิพแก เวลานี้เวลาที่จะพูดหมดไปแล้วก็ขอขอยุติวัาตเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านต่งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอุตยาบดที่ท่านต้องการเห็นว่ามันเป็นความสุขจนกว่าจะถึงเวลาสงฆ์สวัสดี